ราดาขาปเจ้าและโควินสนทนากันอยู่อีกนานเราต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุนมติของตนอย่างเต็มที่แม้บางคราวเหตุผลของขปเจ้าจะน้อยและเกือบจะโจนด้วยเหตุผลของโควินแต่ใจของขปเจ้าไม่ได้ยอมตามด้วยเลยมาบัดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขปเจ้าอุปสมบทแล้วได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว และหวนคำหนึงถึงคำพูดของโควินครั้งใดข้าพเจ้าอดทมเชยความรอบรู้เฉียบแหลมของเขาไม่ได้คนอายุป่านนั้นมีความเข้าใจในชีวิตลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไม่ใช่เป็นคนที่พึงหาได้โดยง่ายในโลกนี้ข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังแต่นั้นว่าโควินเป็นบุตรคหบดีผู้มั่งคั่งในนครตากาซีลาและคราวนั้นคือคราวที่เดินทางร่วมมากับข้าพเจ้านั้น เขามาสู่กรุงะะราชคลึดด้วยความประสงค์ที่ไม่เหมือนใครเลยเข้าพเจ้าต้องประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบว่าเขาเดินทางมาสังเกตการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรุงะะราชคลึดเด็กหนุ่มวัยยเป็นบุตรขหบุดีผู้มั่งคั่งไม่สนใจกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเยี่ยงคนหนุ่มทั้งหลายแต่กลับมาสนใจเรื่องศาสนาและโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งใครๆชอบพูดกันว่า เป็นศาสนาที่สอนให้คนหนีจากโลกเวลานั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจโควินเลยแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเรื่องของโควินมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้ามากอยู่ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะนามาเล่าสู่ท่านในภายหลัง มกเกียนได้เดินทางร้อนแรมมาตามลําดับในที่สุดก็บรรลุถึงกรุงราชคลึกนักขอนที่ขับขัางด้วยาศาสดาเจ้ารัที่ต่างๆมากมายข้าพเจ้ารีบมุ่งหน้าไปหามารดาบิดาเมื่อมาถึงบ้านนั้นเป็นเวลาจวนค่ําแล้วความดีใจที่จะได้พบหน้ามารดาบิดาและพี่สาวคนเดียวของข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเกือบจะกระโดดขึ้นไปบนเรือน และสวมกอดมารดาบิดาและพี่สาวให้สมกับที่จากกันนานถึงห้าปีแต่ที่บันไดเรือนนั่นเองข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักก้าวขาไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงขนสะอื้นเบาๆอยู่ภายในเรือนข้าพเจ้าจําได้ว่าเป็นเสียงของมายุษาเธอสะอื่นสลับกับเสียงพร่ำรำพันต่างๆคุณพ่ออย่าจากลูกไปเสียอีกคนหนึ่งเลย ลูกหมดที่พึ่งแล้วคุณแม่ก็ตายจากไปไม่ทันไรคุณพ่อจะจากลูกไปอีกสุมาณะก็เงียบหายไม่ทราบเมื่อไรจะกลับมาสุ ม, มณะเอ๋ยเธอไม่รู้หรอกว่าทางบ้านเป็นอย่างไรบ้างเงียบหายไปเลยเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่มีใครทราบทางบ้านก็ได้แต่บ่นถึงลูกรักเสียงสันเครือแผ่วเบาแหววมากระทบโสดประสาทของข้าพเจ้า พ่อไม่เป็นไรมากดอกคงยังไม่ตายจนกว่าสุมนณะจะกลับมาเมายุษาเจ้าอยาเศร้าโศกให้มากนักเลยลูกเอ้ยความเจ็บความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกพน้นอย่าว่าแต่พ่อเลยพระราชาธิราชก็ก้าวข้ามความตายไปไม่ได้ท่านผู้เจริญกับเจ้ายืนฟังอยู่อีต่อไปไม่ไหวรีบขึ้นไปสู่เรือน ภาพที่ข้าพเจ้าเห็นทําให้ข้าพเจ้าเศร้าสลดยิ่งนักบิดานอนอยู่บนพื้นที่ทําด้วยฝากมีเสื่อหยาบยาบเก่าๆพื้นหนึ่งรองรับท่านภายผอมสูบซีดมีเส้นเอ็นสพร่งไปทั้งตัวมยุสานั่งอยู่เคียงข้างคอยพัดให้ท่านและร้องไห้ไปด้วยข้าพเจ้าก้าวเข้าไปเรียกพี่มยุสาใคร มายุสาร้องออกมาเหมือนตกใจน้องเองสุมาณะสุมาณะหรือนี่โอ้และแล้วเราก็โผล่ก็สวมกอดกันด้วยความรักอันซาบซึ้งท่านผู้เจริญห้าปีแล้วที่ข้าพเจ้าไม่เคยร้องไห้มาวันนี้ข้าพเจ้าอดกลั้นไม่ไหวน้ำตามันลังไหลเหมือนน้ำซึมจากบ่อทรายน้องรัก มายุษาพร่ำเธอเกือบช้าไปชีวิตของพ่อแขวนอยู่กับเส้นได้เธอรีบดูพ่อเถิดเรื่องอื่นๆไว้ค่อยพูดกันเขาไเจ้ากราบท่านบิดาด้วยความรักและสงสารอย่างจับใจท่านมีน้ำตาซึมจากเบ้าตาเอามือรูปศรีรษะเขาไเจ้ามีอาการเช่มชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านพูดเพียงสั้นๆว่าพ่อดีใจที่ได้เห็นเจ้า แล้วท่านก็หลับตาข้าพเจ้ารีบตรวจอาการของท่านเสร็จแล้วประกอบยาเท่าที่ติดตัวมาและพอจะหาได้ในแถบนั้นท่านผู้เจริญปรากฏว่าในคืนนั้นวิดาหลับอย่างง่ายดายและมีอาการแช่มชื่นอยู่ตลอดเวลาจากการสอบถามเรื่องราวจากมายุสาข้าพเจ้าทราบว่ามารดาของข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณหเดือน และขณะป่วยหนักนั้นท่านคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาเพราะข้าพเจ้าเป็นบุตรชายคนเดียวและกําลังศึกษาอยู่ในที่ไกลไม่สามารถมาเห็นใจท่านได้พราดาเรื่องนี้ก่อความเศร้าสลดให้แก่ข้าพเจ้ายิ่งนักท่านคงคิดว่าข้าพเจ้าสลดใจเพราะมารดาตายไปแต่ข้าพเจ้ามีได้อยู่ในขณะท่านตายนั้นข้อนี้ก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง ในที่ข้าพเจ้าเศร้าสลดที่สุดนั้นคือเรื่องที่มารดาคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาก่อนที่ท่านจะจากและเวลานั้นข้าพเจ้าก็คร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่มิได้คร่ำครวญถึงหญิงผู้เป็นมารดาเลยข้าพเจ้ากําลังคร่ำครวญหัวใจกําลัางร่ำร้องถึงจันทิมาหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าแม้ตลอดเวลาที่เดินทางนีนหมู่เกวียนข้าพเจ้าก็คิดคำหนึ่งถึงแต่จันทิมาทุ่งนั้น ซึ่งเวลาเดียวกันนั้นเองบิดาของข้าพเจ้าก็เริ่มป่วยกระสอด ก, กระแสะและหนักลงหนักลงท่านคงคิดถึงข้าพเจ้ามากเช่นเดียวกันและน่าจะคิดมากกว่ามารดาซีอีกเมื่อมารดาตายไปนั้นท่านยังพอหวังว่ายังไรเซียบิดาก็ยังอยู่พอจะคุ้มครองมายุสาได้แต่คราวบิดาป่วยหนักนี้ท่านไม่มีใครเป็นที่หวังเลยและบ่นกับมายุสาเสมอว่า เป็นห่วงลูกหญิงเหลือเกินสมณะไม่ทราบเมื่อไรจะกลับมาพ่อจะได้นอนตายให้สบายใจหมดห่วงกังวลเสียทีด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของข้าพเจ้า อาการของบิดาค่อยดีขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนกพระเจ้าคิดว่าจะใช้วิชาทั้งหมดที่เรียนมาดึงเอาชีวิตของบิดาไว้และความหวังของข้าพเจ้าอันมีความพยายามเป็นพื้นฐานนั้นไม่สูญเปล่าบิดาของข้าพเจ้าหายสนิทมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติเมื่อล่วงไปเพียง15ห้าวันเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านพักผ่อนให้สบายอีกสิบวัน หรือสิบห้าวันไม่ต้องให้ทำอะไรข้าพเจ้าปลื้มใจเป็นที่สุดที่สามารถช่วยชีวิตของบิดาไว้ได้ทันเวลามายุสาร่าเริงและนิยมชม ช, มชอบข้าพเจ้าย่างชัดแจ้งส่วนบิดานั้นไม่ต้องพูดถึงละท่านดีใจที่ท่านหายป่วยและดีใจมากที่หายกับการพยาบาลของข้าพเจ้าดีใจเพราะข้าพเจ้ากลับมานาเอาความสาเร็จกลับมาด้วย วันหนึ่งในเวลาเย็ยนหลังจากรับประทานอาหารแล้วข้าพเจ้าบิดาและมายุษาสนทนากันที่ชานเรือนตอนหนึ่งท่านพูดขึ้นว่าสมณะลูกรักเจ้าเป็นผู้ได้ช่วยชีวิตของพ่อไวเป็นบุญราบของเจ้าที่ได้ช่วยเหลือผู้มีคุณลูกคิดว่าข้าพเจ้าตอบมันเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น อุปการะที่คุณพ่อได้ทำแล้วแก่ลูกมีมากมายเหลือหลายสุดที่จะตอบแทนให้หมดสิ้นได้พ่อก็เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกและเลี้ยงดูอุ้มชูด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานนับสิ1สิปีลูกได้เลี้ยงดูอุ้มชูช่วยเหลือพ่อเพียงสิบห้าหวันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ลูกจึงเห็นว่าเมื่อนำมาเทียบกันแล้วความดีที่ลูกได้ทาต่อพ่อนั้นมีน้อยเหลือเกิน ลูกจะต้องทำต่อไปอีกมากลูกตั้งใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปลูกจะไม่ให้พ่อต้องทำงานหนักอีกเลยลูกจะหาเลี้ยงพ่อและมายุษาพี่สาวเป็นการตอบแทนบ้างพระดาคำกล่าวในประโยคสุดท้ายของข้าพเจ้านำความปราบลืม้มาสู่ท่านบิดาและมายุษายิ่งนักข้าพเจ้าสังเกตเห็นน้าตาแห่งความปรีดาปราโมท เออขึ้นที่เบ้าตาของบิดาและมายุษาท่านผู้เจริญผู้มีอุปการะทุกคนเมื่อได้ยินคำนี้จากผู้ที่ตนเคยอุปการะมาย่อมปราบลืมเพราะทำให้ความหวังของท่านเต็มบริบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่ามารดาบิดามีความหวังอยู่ห้าสถานจึงบำรุงเลี้ยงบุตรธิดาของตนหสถานนั้นคือหนึ่ง บุตรธิดาที่เราเลี้ยงมาแล้วจะพึงเลี้ยงตอบสองบุตรธิดาจะพึงทำกิจแทนเราเมื่อเราไม่สามารถทำได้สามบุตรธิดาจะดำรงวงศ์สกุลสี่บุตรธิดาจะพึงเป็นผู้รับทรัพย์มรดกที่เราทำไว้ห้าบุตรธิดาจะพึงทำบุญอุทิศให้เมื่อเราล่วงลับไปนี่แหละคือความหวังห้าประการ ของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรธิดาของตนท่านผู้เจริญข่าวการกลับจากสํานักตะกศิลามาสู่มตุภูมิของข้าพเจ้าและนําเอาวิชาการแพทย์มาด้วยนั้นก็ให้เกิดความสนใจแก่มหาชนแถบนั้นไม่น้อยเมื่อใครเจ็บไข้ไม่สบายอย่างไรก็มาหาข้าพเจ้าหรือให้คนมาตามข้าพเจ้าไปเพื่อรักษาพยาบาลการรักษาของข้าพเจ้าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจยิ่งนัก ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ณนะสำนักอาจารย์ว่าเมื่อรักจะเป็นหมอก็ต้องอดทนจะเห็นแก่ความสุขสบายของตนไม่ได้เพราะพี่น้องผู้ร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันกำลังลำบากกำลังต้องการความช่วยเหลือจากหมอแม้กำลังรับประทานอาหารหรือกำลังง่วงเตรียมจะนอนหรือแม้นอนหลับอยู่เมื่อมีผู้มาตามไปดูแลคนไข้ ก็ต้องละทิ้งความสุขอันนั้นไปข้าพเจ้าคิดเสียว่าคนเหล่านั้นมีความทุกข์มากกว่าข้าพเจ้าจึงบากหน้ามหาไม่ว่าค่ําคืนดึกเดือนอย่างไรหรือฝนจะตกฟ้าจะร้องอย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้องค่ายาค่ารักษาจากใครเลยข้าพเจ้าถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องทําคนเจ็บให้หายทําผู้ทุกข์ให้หายทุกข ได้เช็ดน้ําตาให้ผู้ซึ่งชุ่มโชคด้วยน้ําตายิ่งคนจนๆด้วยแล้วมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ข้าพเจ้ารักษาโลกแล้วยังต้องให้เงินแก่เขาอีกข้าพเจ้าชุ่มชื่นใจและมีความสุขด้วยการกระทําดังกล่าวนี้ท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าดีต่อเขาคนเหล่านั้นก็ดีต่อข้าพเจ้าตอบเขาพยายามให้ค่ายาค่ารักษาแก่ข้าพเจ้าเสมอคนยากจนให้น้อยสักหน่อย แต่คนร่ํารวยจะให้มากขึ้นทั้งๆ ท, ที่ข้าพเจ้ามิได้เรียกเป็นจํานวนเลยเมื่อข้าพเจ้าคิดแล้วเห็นว่าส่วนมากให้พอสมควรแก่ฐานะและโรคภัยไข้เจ็บเสมอแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับเหนือน้ําเงินนั่นคือความเคารพนับถือความรักการยกย่องเชิดชูจากชุมนุมชนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่คิดจะร่ํารวยมัง่งคั่ง เพราอาชีพนี้เลยทั้งๆอย่างนี้ฐานะของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นตามลําดับไม่ว่าข้าพเจ้าจะทํางานอะไรเป็นส่วนตัวจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือรับภาระไปหมดยิ่งคนยากจนด้วยแล้วพากันช่วยเหลือด้วยแรงยังไม่คิดเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเลยคนร่ํารวยให้เงินแก่ข้าพเจ้าครั้งละมากๆเกินค่ายาค่ารักษาหลายเท่าทั้งนี้เพราะเขารักในอัธยาศัยของข้าพเจ้า เขาคิดเห็นว่าเมื่อข้าพเจ้าเสียสละได้เขาก็น่าจะเสียสละเพื่อข้าพเจ้าได้เช่นเดียวกันโดยวิธีนี้ข้าพเจ้าได้นําเงินจากคนร่ํารวยเมื่อเผื่อแผ่ให้คนยากจนโดยปริยายวันเวลาล่วงไปชื่อเสียงของข้าพเจ้าก็ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมว่าเป็นหมอที่มีฝีมือดีมีใจดีมีความสุภาพปฏิบัติต่อคนป่วยเหมือนปฏิบัติต่อมารดา และคนอันเป็นที่รักของตนด้วยประการชนนี้คนทั้งในชนบทหมู่บ้านของข้าพเจ้าและไกลออกไปและหลายโยอดได้พากันมาเพื่อรับการรักษาพยาบาลและไม่สามารถกลับบ้านของตนได้ทันในวันนั้นความจำเป็นเรื่องที่พักคนป่วยก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้สร้างที่พักชั่วคราวขึ้นอย่างง่ายๆพอแก้ขัดได้เท่านั้นเวลานั้น ทั้งบิดาและมายุษาพี่สาวต้องมาช่วยงานของข้าพเจ้าหมดเรามีรายได้พอสมควรข้าพเจ้าได้ปลูกเรือนใหม่ขึ้นหลังหนึ่งพออยู่สบายสำหรับบิดาและมายุษาและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าพยายามปลูกบ้านให้ถูกสุขลักษณะที่สุดเรียบเรียบที่สุดมีสนามหญ้าทางหน้าบ้านและมีสวนดอกไม้ทางด้านหลังแต่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรนัก พอพักพอรอนย่อนใจได้บ้างเมื่อเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้าครุ่นคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจะได้ทุนมาสร้างที่พักสำหรับคนป่วยให้พออยู่ได้สบายและมีปริมาณพอสมควรความคิดอันนี้ของข้าพเจ้าสาเร็จลงเมื่อวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้านั่งพักอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเวลานั้นจวนค่ำแล้วมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินเข้ามา เขาทักข้าพเจ้าด้วยความคุ้นเคยแต่ข้าพเจ้าทำไมจึงรู้สึกเลื่อนๆไปเมื่อคุยไปสักครู่หนึ่งจึงนึกออกข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษที่มีอะไรๆน่าสรรเสริญอยู่มากข้าพเจ้าพูดว่าโควินฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอคืนนี้เธอต้องนอนค้างที่นี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอมากทีเดียว ดีใจด้วยสมณนะโควินตอบปีแรกที่เราไม่ได้พบกันดูเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฉันดูแก่ลง ไ, ได้ทราบข่าวเรื่องงานของเธอแล้วชื่นใจเหลือเกินเพื่อนรักเธอได้ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างดีที่สุดเธอมีอะไรจะให้ฉันช่วยบ้างไหมฉันอยากมีส่วนร่วมกับงานของเธอด้วยข้าพเจ้าดีใจที่ได้ยินคานี้จากโควินแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่คนมักได ได้ช่วยโอกาสเสนอความต้องการของตนในทันทีข้าพเจ้าจึงตอบว่าขอบใจเธอเหลือเกินเพื่อนรักเอาไว้ให้เธอคิดดูเอาเองก็แล้วกันว่าเธอควรจะช่วยหรืออะไรแต่ฉันอยากทราบว่าตั้งแต่มาจากตักศิลาคราวนั้นแล้วเธอกลับไปบ้างหรือยังยังโควินตอบแล้วไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเที่ยวชมศาสนสถาน และสังเกตการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมทั้งศาสนาอื่นๆด้วยในกรุงราชคลึนี่เองเธอไปมาหลายแห่งหรือแทบทุกแห่งที่พอจะไปได้แล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ามีคนที่เราต้องช่วยเหลืออยู่มากทั้งทางอาหารกายและอาหารใจแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องช่วยกันสุมนณะเราต้องช่วยกันจนสุดความสามารถ ฉันพอคิดอะไรออกบ้างแล้วข้าพเจ้าให้โควินอาบน้าชำระกายให้สะอาดเสก่อนเพื่อเขาจะได้ชุ่มชื่นขึ้นแล้วเรารับประทานอาหารด้วยกันอย่างอร ե ศอร่อยเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้นําโควินเที่ยวดูคนป่วยที่เดินทางมาจากทินไกลๆและพักอยู่ที่เรือนคนไข้ชั่วคราวของข้าพเจ้าเขาชอบถามความเจ็บป่วยของคนนั้นคนนี้อย่างเอาใจใส่เสร็จแล้ว เราสองคนมานั่งสนทนาการที่สนามหน้าเรือนโควินพูดขึ้นว่าสุมม น, นะฉันนึกออกแล้วว่าฉันควรจะช่วยอะไรเธอบ้างอะไรโควินข้าพเจ้าถามถ้าฉันจะสร้างที่พักคนป่วยให้ใหม่เธอจะขัดข้องไหมเป็นความประสงค์ทีเดียวเพื่อนรักจะเป็นกุศลหาน้อยไหมถ้าเธอทำตามตั้งใจ แต่ฉันยังคิดไกลกว่านั้นอีกอะไรคือฉันคิดว่าถ้าเราจัดให้คนป่วยที่พอฟื้นบ้างแล้วได้รับการอบรมทางจิตใจด้วยเป็นการบำบัดโรคทั้งทางกายและทางใจไปพร้อมๆกันจะดีไม่ใช่น้อยดีทีเดียวโควินเธอทำได้หรือทำได้แน่แต่ต้องรองอาจจะล่มเหลวก็ได้นะสมณนะเพื่อนรักพระบรมศาสดาของเรา ตรัสไว้ว่าคนที่อ้างว่าไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างถึงยี่สิบปีบ้างพอหาได้ในโลกนี้แต่คนที่ไม่มีอาพาธทางใจแม้เพียงครู่เดียวนั้นไม่มีเลยในโลกนี้เว้นพระอระหรัน โควินจิต ท, ที่ไม่มีอาพาธคือไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนเลยนั้นไม่มีสักขณะเดียวเทือหรือโดยธรรมดาเราก็มีโลภเป็นบางครั้งมีโกรธเป็นบางคราวมีรักบ้างในบางขณะแต่เวลาที่เราไม่โลภไม่โกรธและไม่รักก็มีอยู่มิใช่หรือโควินฉันไม่เข้าใจคําที่เธอพูดถูกแล้วสุมาณนะเวลาที่เราไม่รู้สึกว่าเราโลภเราโกรธ หรือเรารักนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ความจริงมันมีอยู่อย่างละเอียดกิเลสที่ห่อหุ้มใจนั้นมีอยู่สามชั้นชั้นแรกเรียกวิติกรมะคือกิเลสอย่างหยาบมองเห็นได้ชัดว่าเป็นความชั่วเช่นการฆ่าการขโมยการพูดมุสาการดื่มสซราเมรยัยและการประกอบกรรมผิดผัวผิดเมียของผู้อื่นชั้นที่สองเรียกปริยุทธานะ พวกนี้อยู่ลึกเข้ามาห่อหุ้มจิตอยู่เป็นชั้นที่สองเช่นความพอใจในกามความพยาบาทความฟุ้งซ่านรําคาญใจเป็นต้นถ้ามองอย่างผัดผ่าเผิ น, ผนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องชั่วช้าเสียหายอะไรชั้นที่สามเรียกว่าอนุสัยบ้างเรียกอาสวะบ้างที่เรียกอนุสัยเพราะมันนอนนิ่งอยู่กับจิตใจที่เรียกอาสวะ เพราะมันหมักดองใจให้มึนเมาอยู่ตลอดเวลาโดยปกติคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีต่อเมื่อมีอารมณ์มายุ่ยยวนให้ได้สัสดส่วนพอกับขนาดของมันมันจึงจะแสดงออกพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้เช่นความหงุดหงิดความถือตัวความอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ายกเว้นพระอระหันต์แล้ว สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอ า, าพาธทางใจเป็นประจำเว้นแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นจึงเป็นการสมควรแท้ที่เราจะส่งเสริมให้คนไข้ของเราได้มีโอกาสแสวงหายามารักษาจิตใจบ้างจริงทีเดียวโควินข้าพเจ้ารีบเสริมฉันเป็นหมอรักษาโรคทางกายและฉันรู้ดีว่ามีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยที่มีสาเหตุมาจากความกระทบกระเทือนทางจิตใจ จนกลายมาเป็นโรคทางกายด้วยความวิตกกังวลความตึงเครียดทางอารมณ์เพราะความผิดหวังการปรารถนาผลจนเกินเหตุที่ตนทำํำเหล่านี้ก่อให้เกิดความกระวนกระวายความสับสนทางความคิดเขาเริ่มนอนไม่หลับและกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับนั่นอีกในที่สุดก็กลายเป็นโรคที่ต้องมาหาหมอโควินจะช่วยได้มากทีเดียว ถ้าเธอสามารถทำได้อย่างนั้นท่านผู้เจริญในที่สุดโควินได้สละทรัพย์ก้อนใหญ่ของเขาสร้างเรือนพักคนไข้ให้แก่ข้าพเจ้า เป็นเรือนไม้สองชั้นมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สบายมีลมโกรกได้ตลอดเวลาเราช่วยกันทำงานอย่างไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อยเขาเจ้าพยายามช่วยเหลือคนป่วยทางกายและโควินพยายามช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทางใจทุกคนได้รับความอบอุ่นทางกายและทางใจทุกๆสั ป, ปดาห์โควินจะราษนาภิกษุรูปหนึ่งมาแสดงธรรมแก่คนป่วย ซึ่งพอจะฟังได้นะัศาลาซึ่งโควินได้สละทรัพย์ปลูกไว้สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถลุกขึ้นได้นั้นโควินได้นำภิกษุรูปนั้นไปเยี่ยมและปลอบใจด้วยธรรมให้คนป่วยมีความชุ่มชื่นและมีความหวังรู้จักชีวิตของตนดีขึ้นในโอกาสธรรมดาโควินจะพูดจาสั่งสอนแนะนำชักชวนให้คนป่วยทราบซึงในคุณค่าแห่งศีลธรรม และเมตตากรุณาท่านผู้เจริญคนป่วยเหล่านั้นได้รับเมตตากรุณาอันเย็นชํำจากข้าพเจ้าและโควินแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาจะพึงมอบมรดกอันล้ำค่าคือเมตตาธรรมให้แก่คนอื่นต่อไปอีกเมื่อเขาได้รับเมตตากรุณาจากข้าพเจ้าเขารู้สึกรักข้าพเจ้าเขาก็คิดต่อไปว่า ถ้าเขาให้ความปราณีต่อคนอื่นบ้างคนอื่นก็คงต้องรักเขาเช่นเดียวกันอันเมตตากรุณานั้นไม่ต้องสอนกันมากแต่ขอให้ทําตัวอย่างให้ดูให้มากแล้วคนทั้งหลายจะทําตามเองในหมู่คณะที่ผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวผู้น้อยก็พลอยตามแม้จะสอนเรื่องเสียสละเพียงไรก็เกือกจะไร้ผลด้วยประการเชนนี้ คิลานาศาลาของข้าพเจ้าจึงเป็นสถานที่บำบัดโรคทั้งทางกายและทางใจพร้อมๆกันผู้ที่มาป่วยในสำนักของข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ทั้งสองประการและทุกคนเมื่อออกไปแล้วก็ระลึกความดีของข้าพเจ้าและของโควินเพื่อนข้าพเจ้าเขาตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีมีปัญหาอะไรขัดข้องก็มาปรึกษาโควินและพระภิกษุซึ่งโควินเคยอาราธนามาเสมอ ชิลานาศาลาของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตไปด้วยประการหนึ่งข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข ชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่รู้ยากเข้าใจยากที่สุดไม่มีวิทยาการใดๆในโลกนี้ที่จะเรียนยากเข้าใจยากเท่ากับวิทยาการอันเกี่ยวกับชีวิตเรื่องของชีวิตมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆมาให้ศึกษาเสมอและมีกฎข้อยกเว้นบ่อยที่สุดและมากที่สุดเราอาจทุ่มเทเวลาศึกษาวิชาคะแนงใดคะแนงหนึ่งให้จดสิน้น ในระยะเวลา20ปี30ปีเรียกได้ว่าพอรู้จริงในเรื่องวิชานั้นแต่ชีวิตเป็นเรื่องที่เรียนให้จบไม่ได้ทุกคนที่เกิดมาต้องจบชีวิตเสียเสมอยิ่งเรียนชีวิตแบบวิทยาการทางโลกด้วยแล้วจะไม่มีทางเข้าใจชีวิตได้ถูกต้องเลยพระดาชีวิตเป็นแพทย์ในชนบทของข้าพเจ้ามีเรื่องหนักใจมากอยู่เพียงเรื่องเดียว คือคนส่วนมากยังมีความเชื่อถือในเรื่องเลวไหลเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายแทนที่จะหาหมอให้รักษาเขามักต้องไปหาคนทรงเจ้าคูาผ่ผีหรือมิฉะนั้นก็หาหมอทำนายทายทักว่าเป็นอะไรถูกอะไรซึ่งหมอเหล่านั้นล้วนไม่มีความรู้ทางโรคภัยไข้เจ็บเลย บางคนหมอทํำนายว่าถูกฝาเรือนเขาก็รือ้อฝาเรือนออกเป็นแถบแถบบางคนหมอทํำนายว่าถูกเสาเรือนบ้างถูกผีกินบ้างถูกจอมปลวกบ้างแล้วก็หาทางแก้ไขโดยการเอาเสาเรือนออกโดยการบนบานสารกล่าวให้ผีออกหรือให้จอมปลวกให้อภัยในโทษที่เขากระทำรุ่งเกินเขาเหล่านั้นไม่ได้แก้ที่ตัวคนป่วยเลย เมื่อไม่หายจริงๆแล้วจึงมาหาข้าพเจ้าบางทีเกือบสิ้นลมปราณแล้วจึงหอบหิ้วหาผามกันมายังสถานรักษาของข้าพเจ้าบางคนมาอยู่เพียงคืนเดียวก็ตายไปเมื่อเป็นดังนี้คนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงก็พากันพูดว่าดูสิในคนนั้นไปหาหมอสุเ ม, มณะเพียงคืนเดียวเท่านั้นตายไปแล้ว โดยเฉพาะหมอผีหมอดูชอบโฆษณาเรื่องนี้ทำให้คนที่ย่อนการศึกษาพากันเชื่อถือและหลงเข้าใจผิดได้มากเหมือนกันสำหรับคนที่มหาค้าพเจ้าแต่เนิ่นๆ น, นนั้นมักจะหายเสมอแต่ทั้งนี้พม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ามีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าพระยามจุราชคนที่ถึงคราวตายก็ต้องตายเป็นธรรมดา ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของคนทุกคนได้และแม้ตัวของข้าพเจ้าเองก็ต้องตายในที่สุดข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ดีและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอมาริสสความสามารถในการงานความเป็นหนุ่มความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาปราณีความมีทรัพย์พอเลี้ยงตนและคนอื่นๆทั้งหมดนี้ รวมอยู่ในตัวของข้าพเจ้าในเวลานั้นและดังนั้นจึงไม่เป็นการประหาดเลยที่ใครๆก็เอ่ยถึงหมอสุมาณะด้วยความนิยมชมชอบนำความปราบปลื้มมาสู่บิดาและพี่สาวมายุษาของข้าพเจ้ายิ่งนักและแล้วความเป็นผู้มีชื่อหอมหัว น, นี้เองทําให้ข้าพเจ้าสร้างบวงชีวิตขึ้นชนิดที่ข้าพเจ้านึกม่ถึงและคล้องเอาดวงใจน้อยๆของใครคนหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่น เรื่องนี้ก่อความสะเทือนใจและเศร้าสลดแก่ข้าพเจ้ายัางเหลือจะพรนานาได้